ปีตั้งท่าทีเอาเงินมาซื้อที่ดินดีเมืองไทยเมืองนี้สวัสดีสวัสดีคุณยุนปีเชิญได้เลยลูกพี่มาได้เลยบานนี้ใครอ่ะนุญาตฟาดได้เลยเทใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ปียุนอยู่นี่มันก็ดีอีกหน่อยโรงงานบ้านบุรีขี้ข่าของพี่ ไใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เราฝากชีวิตกับผู้นําทําให้ดีถ้าผู้นําว่าดีเราก็คงต้องว่าดีใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เมืองไทยเมืองนี้มีคนเดียวมีเราคนเดียวเมื่อไรนี่คนมีศักดิ์ศรีคงยังมี นบนควานทองเล่มนี้จะอยู่เพื่อไทยหรือให้ญี่ปุ่นดี มีเราคนเดียวเมื่อไรนี้คนมีสักสิคงยังมีหนูไม่รู้ดีไม่ดีเชิญแนะนำหน่อยสิบนควานทองเล่มนี้จะอยู่